สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าวันนี้กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องบังเอิญครับวันนี้ผมได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คนหนึ่งชื่อว่าจอมก็เลยถามกับเจ้าจอมว่าเขาเนี่นมีประสบการณ์อะไรลี้ลับบ้างไหมเพื่อผมจะได้นำมาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังจอมก็บอกกับผมว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งเท่าที่จาได้จนถึงทุกวันนี้ เขาพูดอย่างเสียงจริงจังมากว่าเรื่องที่เขาจำได้เนี่ยมันน่ากลัวมากสำหรับเขาแต่สำหรับพวกเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ลองฟังกันดูเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมันมีอยู่ว่าสมัยตอนที่จอมเรียนอยู่ชั้นประถมก็คือยังไม่โตมากแม่ของจอมได้พาจอมไปเที่ยวที่บ้านของยายที่ต่างจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกโดยมีกาหนดการว่าจะต้องไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านของยายประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็ม สาเหตุของผู้ใหญ่นั้นจอมคิดเอาเองว่าตอนนั้นคงเป็นเพราะว่ายายแกอยู่คนเดียวแล้วก็แม่ไม่ได้ไปเยี่ยมแกมานานแล้วด้วยในไหนพอถึงช่วงที่จอมปิดเทอมแม่ก็เลยต้องพาจอมไปเยี่ยมยายบ้างธรรมดาแล้วยายแกจะอยู่กับป้าแต่ป้าเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วประมาณ2ปีแม่คิดว่ายายคงจะเหงาก็จึงได้พาจอมไปเที่ยวบ้านของยายที่พิษณุโลกนั้นเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว แต่ตัวบ้านกว้างใหญ่มีห้องอยู่สองสามห้องก็ถือว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนดีเมื่อเดินทางไปถึงยายก็ดีใจใหญ่เลยที่เจอหน้าแม่กับเจอหน้าจอมก็เข้ามากอดมาหอมคุยกันจอมเล่าไปก็ยังคิดถึงวันนั้นได้เลยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงและเมื่อเข้าไปในตัวบ้านของยายแล้วยายเลือกห้องให้นอนห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องใหญ่และเลยจากห้องใหญ่เปิดประตูกมาก็จะเดินทางตรงไปถึงห้องน้ําได้เลย ยายบอกว่านอนห้องนี้ก็ได้มันสะดวกดีภายในห้องนั้นจอมบอกว่าจอมได้เดินเข้าไปก็สำรวจเล่นเฉยๆห้องมันก็น่านอนดีทุกอย่างมีครบที่นอนมีครบมุ้งมงก็มีครบจากนั้นแม่ก็เอาข้าวของต่างๆไปวางไว้แล้วก็บอกจอมว่าจอมทําความสะอาดซะเลยเดี๋ยวคืนนี้เราต้องนอนกันที่นี่นะครับผมจอมรับคาแล้วก็หาผ้าคอยปัดฝุน่นปัดอะไรเท่าที่จะทาได้ แม่ก็ชี้ไปว่าไปจัดการบนโต๊ะให้เรียบร้อยอ่าในห้องนั้นมันมีโต๊ะกับเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเหมือนเป็นโต๊ะเครื่องเขียนจอมบอกว่าก็เดินเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่ามีปากกาดินสอใบบรรทัดวางอยู่แต่ก็รู้สึกจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีการใช้งานมานานจอมจึงรีบเก็บให้เข้าที่ทำความสะอาดเช็ดฝุน่นเช็ดฝุ่นแลวต่อมาแม่ของจอมก็เข้ามาเอาไม้กวาดมากวาดมากวาดกัน จอมก็ช่วยแม่ทําต่างๆนานาเท่าที่จะทําได้แม่ก็ถูห้องให้เรียบร้อยสักพักห้องนั้นก็พร้อมที่จะอยู่อาศัยดูสะอาดตาขึ้นมาทันทีทันใดไม่นานนักยายก็ตะโกนเรียกบอกให้ออกไปกินข้าวกันได้แล้วจอมและแม่จึงได้เดินออกไปหายายแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันก็คุยกันผู้ใหญ่เขาก็คุยกันไปจอมก็นั่งมองโน่นมอ ง, น, องนี่ไปบรรยากาศบ้านนอกมันก็เย็นๆสบายๆดีคุยไปคุยมาถึงประมาณทุ่มถึงสองทุ่ม ก็เริ่มจะง่วงแล้วบ้านนอกตอนนั้นเวลานั้นถือว่ามืดแล้วดึกแล้วด้วยเพราะบ้านยายเองก็ไม่ได้อยู่ข้างในเมืองจึงทาให้บรรยากาศมันวังเวงและเงียบจากนั้นยายก็บอกว่าให้แยกายกันนอนได้แล้วคืนนั้นจอมก็นอนกับแม่ในห้องที่ทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยแล้วระหว่างที่จอมนอนไปจอมเล่าให้ฟังว่าตกดึกไม่รู้เวรกรรมอะไรนันมาปวดชี่จอมสะดุ้งตื่นด้วยความปวดชี่ ลุกขึ้นมานั่งมองไปรอบตัวก็พบแต่ความมืดโอ้โหมันมืดเหลือเกินและบ้านก็เป็นบ้านไม้ด้วยความเป็นเด็กที่ไม่ค่อยโตมากของจอมตอนนั้นจอมคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยมันจะมีผีไหมเนียคิดได้อย่างนั้นจอมเลยสะกิดแม่แม่ครับแม่ครับผมปวดฉี่ครับแม่ไปฉี่เพื่อนผมหน่อยครับแม่แม่กงงงเงียขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่า เออเอเอเอ ป, ป่แล้วแม่ก็จุงมือจอมออกมานอกมุ้งเดินไปเปิดไฟในห้องและแม่ก็เปิดประตูห้องนอนและแม่ก็ยืนรออยู่ตรงนั้นและบอกจอมว่าเดินไปเลยลูกแม่ยืนรอตรงนี้ห้องน้ำมันก็ไม่ได้ไกลมากแม่มองเห็นด้วยตลอดเพราะว่าประตูห้องนอนกับห้องน้ํามันออกจะยี่ยงกันนิดหนึ่งทางเดินเกือบจะตรงไปเลยก็ว่าได้ที่จะถึงห้องน้ําตอนนั้นจอมบอกกับผมว่าเดินไปก็ระแวงไปมองซ้ายมองขวาเสียงจริงจกกระทัก จิกกจิก จ, ก จ, ก จ, กจกมันหลอนเหลือเกินและมีความรู้สึกว่าทําไมห้องน้ํามันไกลจังเลย ท, ทั้งทั้งที่ตาก็บองเห็นว่าห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละหันหลังไปมองก็เห็นแม่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องนอนระหว่างทางของห้องนอนกับห้องน้ํามองไปทางขวามือก็เห็นมีซอกหลืบเล็กๆอันหนึ่งที่พอจะมีคนเข้าไปนั่งอยู่ได้ซอกหลืบนั้นวังเวงและน่ากลัวมากจอมเด้อชะงโงกหน้าไปดูที่ซอกหลืบนั้นแล้วก็ตกใจวิ่งย้อนกลับมา แม่ก็บอกเป็นไรเป็นไรเป็นไรชีเสร็จแล้วเหรอจอมก็บอกว่าเปล่ปาเปลครับแม่เปล่าครับเปล่าครับผมเห็นตาใครก็ไม่รู้มองผมอยู่ตรงซอกนั้นนะ่ะแม่ก็หูเราะใหญ่แล้วก็บอกว่าโอ้เด็กบ้าเอ้ยก็เราก็มีอยู่แค่สมคนจะมีใครอยู่อีกล่ะไหนไหนไหนไหนมาแม่จะพาไปและแม่ก็จุงมือจอมเดินตรงไปทางห้องน้ําและเมื่อผ่านซอกตรงนั้นที่ว่าก่อนถึงห้องน้ําจอมก็ไม่กล้าที่จะหันไปมองเลย เดินหน้าตรงไปห้องน้ําอย่างเดียวและแม่ก็หยุดตรงซอกนั้นจนได้แล้วก็บอกว่าไหนไหนไหนไหนมีอะไรเหรอลูกเออครั้งนี้ไม่มีอะไรแฮะสงสัยจอมจะตาฝาดคิดอย่างนั้นจอมก็รีบเข้าห้องน้ําทําธุระของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบออกมาเพราะว่ากลัวแม่จะกลับไปรอตรงหน้าห้องนอนเหมือนเดิมจากนั้นก็จุมมือแม่เดินกลับไปทั้งห้องนอนระหว่างที่เดินย้อนกลับไปนั้นจอมก็รู้สึกสงสัยอะไรแปลก เหมือนมีอะไรมาโดนใจให้เดี๋ยวหลังหันกลับไปมองตรงซอกนั้นอีกทีหนึง่งจอมก็เห็นดวงตาสีแดงคู่นึงทำเหมือนตึงมองมาทางจอมจอมตกใจกลัวมากรีบวิ่งตึงตึงตึงตึ ง, ต ง, ตงแซงหน้าแม่เข้าห้องนอนไปเลยแม่ก็ตะโกนเบาเบาเบาเบานี่มันดึกแล้วหรือ ย, ยายก็ตื่นหรอกแล้วก็ได้ยินเสียงของยายแกแอม <c oughs> มาจากตรงห้องนอนของแกคืนนั้นจอมบอกว่าจอมนอนคุมโปงทั้งคืน แล้วมาถึงตอนเช้าตื่นเช้ามายายก็พาให้ไปใส่บาตรทำบุญทำบุญเสร็จก็กลับมากินอาหารเช้ากันคุยกันไปคุยกันมาแม่ไม่รู้คุยอะไรกับยายจอมลึกขึ้นได้จอมเลยบอกยายว่ายายครับยายครับเมื่อคืนเนี้ยผมเห็นตรงซอกตรงถึงห้องน้ําอ่ะก่อนถึงห้องน้ําอ่ะมันมีตาใครก็ไม่รู้สีแดงน่ากลัวมากมองตอนผมไปฉี่ตอนดึกๆอะ่ะยายก็ยิ้มหัวเราะนิดๆแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอก ตาฝาดนะเรานะ่ะดูหนังผีมากไปหรือเปล่าเด็กเอ้ยจากนั้นสักพักหนึ่งยายก็เดินสำรวจเข้าไปในห้องนอนที่จอมกับแม่นอนแต่จอมก็สำรวจไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกันทั่วบ้านเพราะถือว่าเป็นที่ที่แปลกหูแปลกตาสำหรับจอมจอมเดินสำรวจไปจนถึงห้องเก็บของซึ่งห้องเก็บของนั้นก็ไม่ได้ล็อกประตูเอาไว้จอมจึงเดินเข้าไปพบว่านในห้องเก็บของนั้นฝุ่นก็เยอะแต่แปลกแฮมีของเล่นเด็กอยู่ด้วย จอมก็งงว่าเอ๊ะบ้านนี้บ้านนี้มันไม่มีเด็กนินวาแล้วทาไมมีของเล่นเด็กก็เก็บความสงสัยเอาไว้เดินกันลำเพลิ น, นสักพักมีหนังสือเล่มนึงตกมาจากหลังตู้ในห้องเก็บของจอมสะดุง้งโหยงวิ่งออกมาจากห้องเกือบจะชนยายล้มยายก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรจอมก็บอกว่าขอโทษครับขอโทษครับไม่มีอะไรเพราะคิดว่าถ้าบอกว่ากลัวผีหรือจะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่ก็ยเยอะเย้ยรืด่าอีกและคืนวันที่สองคืนนี้ ก่อนจะนอนจอมตั้งใจเต็มที่เลยฉีย่ตั้งแต่หัวค่ําก่อนนอนดื่มน้ําน้อยๆเพื่อที่ตอนดึกๆจะได้ไม่ต้องมาเข้าห้องน้ําอีกก็เข้านอนกับแม่ตามปกติแต่ผลปรากฏว่าความปรารถนาและความตั้งใจของจอมมันไม่เป็นอย่างที่คิดตกดึกคืนนั้นจอมรู้สึกปวดท้องฉี่ขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหแต่คราวนี้จะทัำยังไงอ่ะจอมบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าที่จะปลุกแม่ด้วยกลัวว่าเดี๋ยวแม่จะด่าอีกคิดในใจ เออมันคงไม่มีอะไรหรอกคิดมากไปเองแน่แน่จากนั้นจอมก็บอกว่าจอมก็ลุกขึ้นถลกมุ้งเดินไปย่องย่องไปเปิดไฟแล้วก็เปิดประตูออกไปเพื่อจะเดินทางไปห้องน้ำจอมมองตรงไปที่ห้องน้ำรู้สึกวังเวงมากอาจจะฟุ้งซ่านไปเองจอมบอกตอนนั้นเพราะว่าจากภาพที่เห็นเมื่อวานที่ว่าตาฝานมันยังติดตาอยู่เลยจอมก็คิดอย่างเดียวว่ามันไม่มีอะไรหรอก ถ้ามีอะไรก็จะแหกปากให้เต็มที่เลยแหละจอมก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตามองตรงมุ่งไปที่ห้องน้ําอย่างเดียวไม่สนใจว่าในซอกนันจะมีอะไรบ้างและเมื่อเดินตรงไปจนถึงซอกที่ว่าสยองนั้นแล้วก็ไม่หวที่ต้องมีอะไรไปดนใจให้หันไปมองอีกจนได้จอมหันกลับไปมองที่ซอกนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าในซอกนั้นมันมีแต่ความมืดและไม่มีอะไรเลยจอมคิดในใจว่าเออ สงสัยเราจะตาฝาดจริงๆเมื่อคืนคิดได้อย่างนั้นจอมก็คิดว่ารีบฉี่เลยดีกว่าเข้าห้องน้ําไปปุ๊บจอมก็ฉี่ฉี่แต่เจ้ากรรมเอ้ยฉี่ไปสักพักปวดท้องหนักขึ้นมาอีกจอมเลยต้องนั่งทําธุระหนักต่อเลยลักษณะของส้วมที่บ้านยายมันเป็นส้วมซึมก็คือต้องนั่งยองๆชันเข่าขึ้นมาจอมก็นั่งไปเรื่อยๆใจก็คิดไปเรื่อยๆว่าที่เราเห็นมันตาฝาดที่เราเห็นมันตาฝาดสักพัก หูของจอมก็ดียินเสียงเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงดังคล้ายๆกับเสียงคนร้องไห้ครางฮือๆอยู่ประมาณนี้จอมบอกว่าตอนนั้นจะใช้คำพูดหยาบคายก็ได้ว่าอี้อดตดหายทุกอย่างใช้ได้หมดรู้สึกกล้ามเนื้อเกรงเสร็จกิจในทันทีจากนั้นก็ล้างก้น นุ่งกงเกงอย่างดีแล้วก็เงี้ยวหูฟังอีกทีนึงแต่เสียงนั้นมันก็หายไปแล้วหรือแต่เสียงจิ้งจบทักักตักักักักั ก, ก, ก, กเออจอมมีความรู้สึกว่าโล่งใจขึ้นมาเลยจากนั้นจอมก็เปิดประตูและเตรียมพร้อมที่จะมุ่งหน้าตรงเข้าห้องนอนอย่างเดียวโดยจะไม่หันไปมองที่ซอกใดๆหรือซ้ายขวาหน้าหลังแต่อย่างใดเมื่อคิดได้อย่างนั้นจอมก็บอกว่าก้าวขาไปเลยตุบตุบตุบตุบแต่เจ้ากรัมไม่รู้อะไรมาโดนใจ ให้จอมต้องเหลียวซ้ายไปมองที่ซอกตรงนั้นอีกและเมื่อจอมหันไปมองจอมก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่จอมเห็นก็คือดวงตาสีแดงดวงโตเบิกตาูมิจากมุมมืดนั้นมองขม็งมาที่จอมจอมตกใจตัวสัน่นไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็มีเสียงดังออกมาอี ก, กแผ่วๆจากนั้นจอมก็ได้ตะโกนตะโกน แหกปากเต็มที่โวกเวกโวยวายเต็มที่ขาก็ขยับไม่ออกได้แต่ตัวยืนแข็งทื่อแล้วก็ได้ยินเสียงแวววๆมาว่าใครเป็นไรใครเป็นไรและจอมก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนมีความรู้สึกเย็นๆที่ใบหน้าลืมตาขึ้นมาก็เห็นยายกับแม่กําลังช่วยกันเช็ดหน้าเอาพัดมาพัดให้มีลมอยู่ข้างๆจอมลืมตาขึ้นมาก็ตกใจกลัวก็กอดแม่ใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าผีผีผีี แม่ก็บอกว่าผีอะไรกันผีที่ไหนกันโอ้ยเด็กคนนี้นี่คิดมากเพ้อฝันมากพอแล้วเนี่ยไหนไหนผีตรงไหนผีตรงไหนแม่ยืนยันแม่จะลากจอมให้ไปดูตรงซอกนั้นอีกจอมไม่กล้าจอมบอกไม่เอาไม่เอาจอมรีบมุดบุ้งเข้าไปนอนคุ้มโปงอย่างเดียวแม่และยายก็หูวเรอะกันใหญ่เออเด็กคนนี้เนี่ยสงสัยมันขี้ขลาดจริงๆดูหนังผีมากไปจอมจําได้ว่าจอมนอนร้องไห้อยู่ใต้ผ้ห่มนั้นจนหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ และเมื่อตอนเช้ามาถึงจอมก็ออกไปกินข้าวแต่วันนี้จอมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงไม่รู้เมื่อกินข้าวเสร็จยายกับแม่ก็มาพูดถึงเรื่องที่จอมได้หวกเวกโวยวายเมื่อคืนนี้ว่าผีหลอกผีหลอกสงสารอีหนูมันจริงเลยไม่รู้มันจะห่วงหาอะไรนักหนาะจอมบอกเงียหูฟังด้วยความสนใจอีหนูที่ยายพูดถึงมันหมายถึงใครแม่หันมาบอกว่าออยายเขาเล่าถึงป้านะลูก แล้วยายก็เล่าต่อว่าเนี่ยนะมันก็รู้อยู่ว่าไม่มีทางที่จะได้เจอกับลูกสาวมันหรอกยายเล่าให้ฟังพร้อมกับน้ำตาไหลไปเรื่อยว่าก่อนที่ป้าจะเสียนั้นป้ามีลูกสาวอยู่หนึ่งคนวัยกำลังน่ารัก 4-5 ห้าขวบและป้าก็แยกย้ายกับสามีมีเรื่องหย่าร้างกันไปสามีของป้านี่ก็อยากจะได้ลูกสาวไปเลี้ยงละเกินแต่ป้าไม่ยอมป้ารักลูกของป้ามากสามีก็ยินยอม ให้แยกกันอยู่โดยเอาลูกไปอยู่ที่บ้านของยายนี่แหละแต่ต่อมาสักเดือนหนึ่งได้สามีของป้าก็ไม่แอบลักลูกสาวหนีไปอยู่เมืองนอกด้วยเลยทําให้ป้าไม่สามารถที่จะติดต่อลูกสาวของป้าได้เลยป้าเกิดอาการเครียดมากจนสุดท้ายหลังๆป้าเหมือนจะเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทวันๆก็นั่งเขียนจดหมายอยู่คนเดียวในห้องยายก็เคยเดินเข้าไปถามว่าเขียนทําไมเขียนถึงใครป้าก็บอกว่าเขียนถึงลูกสาวคิดถึง ยายก็บอกว่ามันน่าสงสารตรงที่ว่ามันไม่รู้เลยว่าลูกสาวในยอยู่ที่ไหนสุดท้ายอยู่ไปอยู่มาป้าก็ป่วยตรอมใจจนเสียชีวิตในที่สุดและยายก็บอกว่าก่อนที่ป้าจะเสียชีวิตนั้นป้าชอบเดินไปนั่งตรงซอกตรงห้องน้ำตรงนั้นแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวคิดลำพึงลำพันถึงแต่ลูกสาวยายก็ได้แต่ปล่อยให้ทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะเยียวยาอย่างไงได้แต่สงสารพูดไปยายก็ร้องไห้ไปและยายก็บอกว่า สิ่งที่เจ้าจอมมันเจอก็คงจะเป็นวิญญาณของอีนูนั่นแหละสงสัยมันจะคิดถึงลูกสาวมันบังเอิญมันเห็นเจ้าจอมเป็นเด็กมันก็คงอยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนหรือไม่ก็อาจจะเห็นว่าเป็นหลานจึงได้ออกมาแอบดูเพราะปัใจของมันก็เป็นห่วงปัญหาแต่ลูกของมันอยู่มันน่าจะรักเด็กเป็นพิเศษแหละมันจึงได้ไปแอบดูเจ้าจอมนี่แหละจอมบอกว่าจอมได้ยินปุ๊บจอมกระโดดเข้าไปนั่งชิดติดแม่ทันทีกอดแขนแม่เลยว่า กับกรุงเทพกับกรุงเทพแม่กับกรุงเทพครับแม่ก็หัวเราะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกป้าเขาแค่มาดูเฉยเยอย่าเป็นกลัวป้าก็เลยเอาอย่างนี้อยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งแหละตามกำหนดการน่ะลูกเดี๋ยวปวดีปดขี้ปวดเยี่ยวยังไงแม่จะลูกมาเป็นเพื่อนไม่มีอะไรหรอกจอมต้องจำใจอยู่กับยายอีกให้ครบหนึ่งอาทิตย์ตามที่แม่เขาตั้งใจไว้แต่หลังจากคืนนั้น จอมก็ไม่เคยเจอกับเรื่องนี้ลับอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้อีกเลยและไม่เคยเจอกับคุณป้าอีกเลยจอมคิดในใจอย่างเดียวป้าครับผมกลัวป้าครับป้าอย่ามาให้ผมเห็นนะครับจนสุดท้ายเมื่อครบกำหนดกลับบ้านจอมก็ร่ำลาคุณยายแล้วก็เดินทางกลับบ้านมากับคุณแม่ในใจก็คิดอย่างเดียวว่าทั้งสงสารป้าและก็กลัวป้ามากๆด้วยแต่ทางที่ดีแล้วป้าไม่ต้องมาให้ผมเห็นก็ได้นะครับ นี่ก็คือประสบการณ์ที่จอมได้เล่าให้ผมฟังในระหว่างที่เรากำลังนั่งสนทนาคุยกันอยู่ถึงเรื่องเก่าๆ ก, ก็หวังว่าประสบการณ์ของเพื่อนผมคนนี้คงจะทำให้ทุกท่านได้รับความบันเทิงไม่มากก็ น, น้อยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ